พระผู้มีพระภาคผู้สุขศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลที่เป็นมิตรมีใจดีสี่จำพวกนี้คือ 1. มิตรมีอุปการะ 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ 3. มิตรแนะนำประโยชน์ 4. มิตรมีความรักใคร่บัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเข้าไปคบหาด้วยความจริงใจ เหมือนมารดาคบหาบุตรผู้เกิดแต่อกฉะนั้นบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมสว่างโชดช่วงดังดวงไฟเมื่อบุคคลสะสมโภคทรัพย์อยู่ดังตัวพึ่งสร้างรังโภคทรัพย์ของเขาก็ย่อมเพิ่มพูนขึ้นดด จ, จอมปลวกที่ตัวปลวกเกาะขึ้นฉะนั้นขรหัตในตระกูลผู้สามารถครั้นรวบรวมโภคทรัพย์ได้อย่างนี้แล้วพึ่งแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็นสี่ส่วน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 ว่าด้วยการปิดป้องทิศหกอริยสาวกเป็นผู้ปิดป้องทิศหกเป็นอย่างไรพระหาปฎีบุตรเธอพึงทราบทิศหกนี้คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าพึงทราบว่าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาพึงทราบว่าบุตรและพันยาเป็นทิศเบื้องหลังพึงทราบว่ามิสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายพึงทราบว่า ธาสและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างพึงทราบว่าสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนคหาบดีบุตรบุตรพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ท่านเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านตอบ 2. จากทากิจของท่าน 3. จากดำรงวงตระกูล 4. จากประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุรด้วยหน้าที่หประการคือ 1. ห, ห้ามไม่ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 4. หาพัญญาสามีที่สมควรให้ 5. มอบทรัพสมบัติให้ในเวลาอันสมควรค้าหบดีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันชื่อว่า กุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนิ<ม>ข้าหาบดีบุตรสิทธิพึงบำรุงอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ลุกขึ้นยืนรับ 2. เข้าไปคอยรับใช้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 มหดีบุตรสามีพึงบำรุงพัญญาผู้เป็นทิศเบื้องหลังโดยหน้าที่ห้าประการคือหนึ่งให้เกียรติยกย่องสองไม่ดูหมิ่นสไม่ประพฤตินอกใจสมอบความเป็นใหญ่ให้ 5. ให้เครื่องแต่งตัวพัญญาผู้เป็นทิศเบื้องหลังสามีบำรุงโดยหน้าที่ห้าประการนี้แล่ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่ห้าประการคือหนึ่งจัดการงานดี สงสงเคราะห์คนข้างเคียงดีสไม่ประพฤตินอกใจสรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้หขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวงข้าบดีบุตรพัญญาผู้เป็นทิศเบื้องหลังสามีบำรุงโดยหน้าที่ห้าประการนี้แหลย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่ห้าประการนี้ทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันชื่อว่าสามีได้ปิดป้องทำให้กเกษตปลอดภัยแล้ว ด้วยประการะชนีข้าหบดีบุตรกุลบุตรพึงบำรุงมิสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายโดยหน้าที่5ประการคือ 1. การให้การแบ่งปันสิ่งของให้ 2. กล่าววาจาเป็นที่รัก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 นายบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แหละย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ่เตินขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานเข้านอนทีหลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้ 4. ทํทำงานให้ดีขึ้นนํานำคุณของนายไปสันเสริญข้าหาบดีบุตรทาศกดกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องล่าง นายบำรงโดยหน้าที่5ประการนี้แหละย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องล่างนั้นเป็นอันชื่อว่านายได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการนี้พระห้าปีบุตร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 กุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แหลย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการนี้ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้กเกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการราชนีพระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดา รัตตเวยากรณาพาเสร็จนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภันยาเป็นทิศเบื้องหลังมิสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายธาตุกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนครหัดในตระกูลผู้มีความสามารถพึงไหวทิศเหล่านี้บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นคนละเอียดและมีไหวพริบ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 อัธจริยาการประพฤติประโยชน์ในโลกนี้และสมานัตาการวางตนสม่ำเสมอในธรรมนั้นๆตามสมควรสังคะธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลกเหมือนลิ่มสลักเปล่าคุมรถที่เล่นไปไว้ได้ฉะนั้นถ้าไม่มีสังคะธรรมเหล่านี้มารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้รับการนับถือหรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุแต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความสาคัญของสังฆะธรรมเหล่านี้ ฉะนั้นบัณฑิตเหล่านี้จึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสิงห์คากะขหาพบรีบุตรเดียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิกของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิก ข, ของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนัก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 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสิงคาลกะสูตรที่8จบ 9. อาอาตาณติยสูตรว่าด้วย มนเครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะพาณวาระที่หนึ่งเขาไเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนภะูเขาคิจกูรูรเขตกรุงราชครึ้ครั้งนั้นท้ามหาราชทั้งสี่องค์วางยามรักษาการไว้ทั้งสีทิศวางกองกาลังไวทั้งสีทิศวางหน่วยป้องกันไว้ทั้งสีทิศด้วยกองทัพยักษ์หมูใหญ่ด้วยกองทัพคนทันหมูใหญ่ ด้วยกองทัพกลุ่มมพันหมูใหญ่และด้วยกองทัพนาคหมูใหญ่เมื่อราตรีผ่านไปมีวันนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างสวัยทั่วภูเขาขิจกูดแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทวายอภิวาทแล้วนั่งนาที่สมควรฝ่ายยักษ์เหล่านั้นบางพวกทวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันกับพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนักที่สมควรบางพวกประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทรับอยู่แล้วนั่งนักที่สมควรบางพวกประกาศ ช, ชื่อและโคตแล้วนั่งนที่สมควรบางพวกนั่งนิ่งเฉยณที่สมควรท้าเวสวร์มหาราชประทับนั่งนักที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 ขอนอบน้อมพระเวสสุภูพุทธเจ้าผู้ทรงชำระกิเลสมีความเพียรขอนอบน้อมพระกระกุสันธุทธเจ้าผู้ทรงย่ำยีมารและกองทัพมารขอนอบน้อมพระโกโนาคมณะพุทธเจ้าผู้มีบาปอันลอยแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ขอนอบน้อมพระกัสปะพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นในที่ทั้งปวงขอนอบน้อมพระอังคีรถพุทธเจ้าผู้ศักยบุตร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 ทรงเป็นหัวหน้าของพวกคนทันมีคนทันแวดล้อมทรงโปรดปรานการร่ายรำและการขับร้องข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่าแม้อรสของเท้าทัตรศจะมีมากก็มีพระนามเดียวกันคือทั้ง91องค์มีพระนามว่าอินทะต่างมีพลังมากเท้าทัตรศและพระอรสเหล่านั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้เตื่นแล้วผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระอาทิตย์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 ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้สดับเรื่องนี้มาเนืองๆฉะนั้นจึงกราบทูลเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยถามพวกอมนุษย์ว่าพวกท่านถวายอภิวาทพระชิ น, นโคดมหรือพวกอมนุษย์ตอบว่าพวกเราถวายอภิวาทพระชิ น, นะโคดมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายอภิวาทพระพุทธโคดมผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะ จนทั้งหลายผู้ส่อเสียดผู้นินทาคนลับหลังเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นนายพรานเป็นโจรเป็นคนตลบตะแลงตายแล้วเขาบอกให้นําออกไปทางทิศใดคนเรียกทิศนั้นว่าทิศนั้นเป็นทิศใต้จากภูเขาสิเนรุนี้ไปซึ่งเป็นทิศที่เท้ามหาราชผู้มียศองค์นั้นอภิบาลอยู่เท้ามหาราชนั้นมีพระนามว่าวิรุณหะทรงเป็นหัวหน้าของพวกกลุมมพัน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 ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้สะดับเรื่องนั้นมาหนึ่งหนึ่งฉะนั้นจึงกราบทูลเช่นนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเคยถามพวกอมนุษย์ว่าพวกท่านถวายอภิวาพระชิ น, นโคดมหรือพวกอมนุษย์ตอบว่าพวกเราถวายอภิวาพระชิ น, นโคดมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายอภิวาพระพุทธโคดมผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะ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 ซึ่งเป็นทิศ ท, ที่เท้ามหาราชผู้มียศองค์นั้นอภิบาลอยู่เท้ามหาราชนั้นมีพระนามว่าวิรูปักทรงเป็นหัวหน้าของพวกนาคมีนาคแวดล้อมทรงโปรดปรานการไร้รำและการขบร้องข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่าแม้โอรสของเท้าวิรูปักจะมีมากก็มีพระนามเดียวกันคือทั้ง91องค์มีพระนามว่าอินทะต่างมีพลังมาก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 ขอพระองค์โปรดตรวจ ด, ดูด้วยพระยานอันฉลาาเถิดแม้อาบ น, นุษย์ทั้งหลายก็ถวายอภิวาสพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้สะดับเรื่องนี้มาหนึ่งเนืองฉะนั้นจึงกราบทูลเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยถามผู้อาบ น, นุษย์ว่าพวกท่านถวายอภิวาสพระชิ น, นโคดมหรือพวกอาบ น, นุ์ตอบว่าพวกเราถวายอภิวาทพระชิ น, นโคดม ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายอภิวาทพระพุทธโคโดมผู้เพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณนะอุตรากุรุทวีปเป็นโรมนียสถานมีภูเขาหลวงชื่อสิเนรุ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 บนเตาอันปราศจากควันและทานและบริโภคโภชนะจากที่นั้นพวกเขาใช้แม่โคแทนม้ากีบเดียวแล้วเที่ยวไปสู่ทิดน้อยทิดใหญ่ใช้สัตว์เลี้ยงแทนม้ากีบเดียวแล้วเที่ยวไปสู่ทิดน้อยทิดใหญ่ใช้หญิงเป็นภานะแล้วเที่ยวไปสู่ทิดน้อยทิดใหญ่ใช้ชายเป็นภานะแล้วเที่ยวไปสู่ทิดน้อยทิดใหญ่ใช้เด็กหญิงเป็นพานะแล้วเที่ยวไปสู่ทิดน้อยทิศใหญ่ ใช้เด็กชายเป็นพาณะแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่พระสนมทั้งหลายของท้าวมหาราชนั้นก็ขึ้นสู่ยานเหล่านั้นตามพ้อมล้อมไปทุกทิศ ย, ยานช้างยานมา้ายานทิปปราศาสตร์และวอบังเกิดแก่ท้าวมหาราชผู้มียศท้าวเธอทรงมีเมืองหลายเมืองที่สร้างในอากาศคือเมืองอาตานาตาเมืองกุศินาตาเมืองปรกุศินาตา เมืองนาตะปริยาเมืองปรากุสิตะนาตาทางทิศเหนือมีเมืองกปีวันตะและมีอีกเมืองหนึ่งชื่อชโนคะอีกเมืองหนึ่งชื่อนวนวติยะและมีอีกเมืองหนึ่งชื่ออัมพรอัมพรวติยะมีราชธานีชื่ออาระกะมันธาข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุข์ท้าวกุเวนมหาราชมีราชธานีชื่อวิสานา ฉะนั้นมหาชนจึงเรียกเท้ากุเวนมหาราชว่าเท้าเวสวร์ยักชื่อตโตลาชื่อตัดตลาชื่อตโตตลาชื่อโอชสีชื่อเตชสีชื่อตโตชสีชื่อสุระชื่อราชาชื่อสุโรราชาชื่ออริ t h ชื่อเนมิชื่ออริ t h เนมิ ต่งทำหน้าที่หาข่าวและประกาศให้ทราบในวิสานาราชธานีนั้นมีห่วงน้ำชื่อทรณีซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเมฆเกิดฝนตกในวิสานาราชธานีนั้นมีสภาชื่อพักคละวดีเป็นที่ประชุมของพวกยักษ์มีต้นไม้ทั้งหลายผลิพลนเป็นนิดด้าระดาดด้วยหมู่นกชนิดต่างๆมีเสียงร้องของนกยูงนกกระเรียน และเสียงขับกล่อมจากนกดูว์เป็นต้นในวิสานาราชธา น, นีนั้นมีเสียงร้องของนกชีวันชีวกะและนกโอทาวจิตกะมีไก่ป่าในสะบัวมีปูทองและนกชื่อปกคระสาตกะในวิสานาราชธา น, นีนั้นมีเสียงนกแก้วนกสาลิกาและหมู่นกทันทะมานวะสะบัวของท้าวกุเวนนั้นจึงงามตลอดการทุกเมื่อ คนเรียกทิศนั้นว่าทิศนั้นเป็นทิศเหนือจากภูเขาซิเนรุนี้ไปซึ่งเป็นทิศที่เท้ามหาราชผู้ทรงยศองค์นั้นอภิบาลอยู่เท้ามหาราชนั้นมีพระนามว่าเท้ากูเวนทรงเป็นหัวหน้าของพวกยักษ์มียักษ์แวดล้อมทรงโปรปรานการร่ายรำและการขับร้องข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่าแมโอรสของเท้ากูเวนจะมีมากก็มีพระนามเดียวกัน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 ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ขอพระองค์โปรดตรวจดูด้วยพระญาณอัญฉลาเถิดแม้อาุษย์ทั้งหลายก็ถวายอภิวาทพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้สดับเรื่องนั้นมาหนึ่งหนึ่งฉะนั้นจึงกราบทูลเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยถามพวกอาุษย์ว่าพวกท่านถวายอภิวาทพระชินนะโพดมหรือพวกอาุษย์ตอบว่าพวกเราถวายอภิวาทพระชินนะโพดม ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายอภิวาทพระพุทธโคโดมผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกนี้แหละคือมนเครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะนั้น เพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่ถูกเบียดเบียนเพื่ออยู่สำราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิ ก, กาทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้นิรุขุผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิ ก, กาผู้เรียนมนต์เครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะนี้จนจบครบบริบูรณ์แล้วหากว่าอามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นยักษ์ยักษณีบุตรยักษ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 ผู้รับใช้ของกุมพันฑ์ก็ตามไม่ว่าจะเป็นนาคนางนาคบุตรนาคทิดานาคมหาอมากของนาคบริวารของนาคผู้รับใช้ของนาคก็ตามมีจิตประทุษร้ายเดินตามภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้กําลังเดินไปยืนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้ยืนอยู่นั่งใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้นั่งอยู่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 อามนุษย์ทั้งหลายไม่พึงทำอาวาหะมงคลหรือวิวาหะมงคลกับอามนุษย์นั้นอีกประการหนึ่งอามนุษย์ทั้งหลายด่าอามนุษย์นั้นด้วยคำด่าที่ตรงตัวเต็มปากเต็มคำอีกประการหนึ่งอามนุษย์ทั้งหลายพึงเอาบาดเปล่าครอบศีรษะอามนุษย์นั้นอีกประการหนึ่งอามนุษย์ทั้งหลายพึงพาศีรษะอามนุษย์นั้นออกเป็นเจดเสียง แต่พระองค์ผู้นิรทุกมีอมนุษย์ทั้งหลายที่ดุร้ายโหดเหี้ยมทำเกินเหตุอมนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อฟังท้าวมหาราชไม่เชื่อฟังเสนาบดีของท้าวมหาราชไม่เชื่อฟังผู้ช่วยเสยนาบดีของท้าวมหาราชข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกอมนุษย์เหล่านั้นเรียกว่าเป็นศัตรูของท้าวมหาราชเหมือนมหาโจรทั้งหลายใ น, วนแวดแคว้นของพระราชาผู้ครองแว้นมคธ มหาจรเหล่านั้นไม่เชื่อฟังพระราชาผู้ครองแคว้นมคตไม่เชื่อฟังเสนาบดีของพระราชาผู้ครองแคว้นมคตไม่เชื่อฟังผู้ช่วยเสนาบดีของพระราชาผู้ครองแคว้นมคตข่าแต่พระองค์ผู้นิรทุกมหาจรเหล่านั้นเรียกว่าเป็นศัตรูของพระราชาผู้ครองแคว้นมคตฉันใดมีอมนุษย์ทั้งหลายที่ดุร้ายโหดเหี้ยมทำเกินเหตุอมนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อฟังท้ามหาราช ไม่เชื่อฟังเสนาบดีของท้าวมหาราชไม่เชื่อฟังผู้ช่วยเสนาบดีของท้าวมหาราชข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์อามนุษเหล่านั้นเรียกว่าเป็นศัตรูของท้าวมหาราชชั้นนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์อามนุษผู้ใดผู้หนึ่งไม่ว่าจะเป็นยักษ์ยักษณีบุตรยักษ์ธิดายักษ์มหาอมาตะของยักษ์บริวารของยักษ์ผู้รับใช้ของยักษ์ก็ตาม